อกุศลมูลสามอกุศลลมูลสามเป็นมูลแห่งวิวาธาธิก่อนเป็นฉไนภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายมีจิตโลภวิวาทกันมีจิตโกรธวิวาทกันมีจิตหลงวิวาดกันว่าหนึ่งนี้ธรรม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 เป็นมูลแห่งวิวาทาที่ก่อน